เพราะความตายเพระความตายฉันต้องไปังหารทวามสงบเงยบสงบการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญาปฏิภาษสามทูตยานการเจริญสมาธิก็ไม่ต้องทำให้สมาธิไม่เกิดไ อาสมาสินั t t ik ่งเกินไปนี้อิทธิขึ้นออกไม่ได้แล้วก็มีการต่อยั่งกับเพื่อการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยังมีการชาฝันจริงๆมันมาใช้เรื่องแต่โอุบจาระสมาสิที่สารสีต้เข้าสารสีท้ายหลังจดตัวอุปจาระสมาสิจะเห็นต้อนอยากกระตุ้นยาสมาบัติต้องทรงคงสังีโยฉพาะ ต่วการปฏิบัติแบบนี้เปการปฏิบัติร่วมการปฏิบัติร่วมมีคนให้วิธีแบบนี้อันดับแรกขอให้ทุกคนฟังนึ้วคิดตามีนะที่เกี่ยาร่างกายของเราเพราะ่างกายของเรานี่นจะอาศัยสัะ เราเกิดเห็ว่าอุจาระกับปัสวะนี่เราเราเกียดว่าเราชอบมันถ้าเราเสียดเราเกิดอุจาระปัสวะไปจิตนึกน้อมไปว่าอุจาระกับปัสสวะมันมาจากไหนไม่ยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าถ้าอยู่ในร่างกายเรานี่มันแสดงว่าร่างกายของเรานี่ยมัสุขขอขอตัวเขาไว้ อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายปุ๋ยต้นทั้งหมดนี้เราจะรู้ว่าจะอาสวะสกกถ้าเรามีความรู้ที่จะมาสุกสปกป ก, ป ก, ก็ใจคิดดูว่าคองทั้งหลายเรามีมันมาจากไหนที่เราเห็นมันหลังไหลออกมาเนมันมาจากข้างนา อ, อกมันไหลามาจากในกาย ถ้ามีความรู้สึก็่ามันอยู่ในกายก็ดปว่าในกายนี้เราเต็มไปด้วยความทุขกขบโกกอย่างในมหาสิปทานสูตรที่พระพุธเจ้าทวงแยกธาตุสี่ในกายฐันสองว่าเหมือนกับผ้าสองขาดมือถวงมีบาดสองข้างเท้าเขาของสมบูรณ์ใส่สไนน์เน่าโป๊ะหัวหักตายเสีย คนโง่ที่จะนายว้าของที่มีสีสวยสดสงามตามเราชอบมันเป็นของดีแต่ถ้าจครอยากที่กะรู้ไอตรงนี้มันจะมีสีเดียวเป็นคอสตูปกก็ไม่มีใครอยากเข้าไปแตะต้องเราก็ให้สรงยานาม้ร่างกายของเราเขาในสภาพแบบนั้น เรามองกันแล้ว้อจะมองผิวให้ไปมองสรวดทรงมองเสียงที่เต็มด้วยความหลอกลวงได้จิตกติดความหลอกสึ่งภายนอกสมุนคนนี้ทาไมสะไม่สางไม่ล้างไม่หวีสองคำมันจะของเองก็ทนไม่ไหว เราไคยเขาไม่สารไม่สารไม่ร่างไม่หนีไม่ทำให้มันดีไม่ก็ไม่แต่งเราไม่ชอบแต่เราก็ตกแต่งถ้าเราชอบเพื่อนอนไหวจิตเอมไม่ยอมรับว่าเสือความเป็นจริงเพรัะนั่นมือใครนอกใจเราดีมันก็ไม่ได้ดีจริงไม่อาบนั่งชงยาในกายเราสองสามวันเราก็ทนไม่ไหว เออออ ก, กมากว่าเดียวเราก็คนไม่ได้ตัวเราเองเออใจที่ออกมามันมาจากไหนมาจากร่างกายของเราเป็นอันว่าหลักแรก <c oughs> ให้มองดูร่างกายของเราดวร่างกายของบุนคนอื่นตามความเป็นจริงว่ามันสะอาดหรสกปรกรอยหนังกำชาเข้าไปมันมีอะไรบ้าง เล็ดูที่พระพุทธเจ้าทรงจัดกรกมาติยธรามที่กรมาติยธรมได้เอานางกรรมนิยาลกสามนุษย์ไเป็นเมียท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่เคยดีเหมือนกันอยากจะได้พราะคุณเจ้าเป็นลกเคยพระพุทธเจ้าทรงจัดงานลกศาของท่านในร่างตายจนไม่ได้เมื่า มาาร่างกายจนเรื่องสาระและกับัววแม้แต่ข้าวของเราก็ยังไม่กล้าจะแตะกันเลยเพราะเราเลียงคืออันดับแรกท่านจะมาดูร่างกายของเรามาสานทกอ่างก่อนในเมื่อมันถูกกระปรกแล้วเราควรคิดเองว่าจปนหนูไหลไส่ฝันในรูปโขนนุ่มพันในร่างกายมันเปคนของด ตัวนี้เป็นกรรฐานกนาต่อไปเราคิดอีกก็จับ ก, กายไปงนีหละ้านต่กินเนยเขไม่ได้ต่กินไหนก็ต่กันตรงนี้ร่างกายในเมื่อมันสกรปรกแล้วมันมีพะพ้าตรงตัวลรืล่าถ้าพุทไดเจ้าเสีย่าร่างกายจะไม่จังเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเพี่ยงเพียงก็จะเป็นเหล็กตัวเล็ก พอเจะท้องแม่ เ, เท่าไรก็อยู่ทอนนั้นที่เราโตขึ้นมาทุกวันทุกวันเราคิดมันเดินไอ้จริงคิตจะเดนมันเป็ น, น, นความโง่คนจิตความจริงนะมันโดนเขาจะหาความตายในเวลาการทับ่อยมากเท่าไรเนี่ยกไล่ความตายเข้าไปสักทีแล้วที่สุดแล้วก็ตายขนาดที่ต้องโตอยู่ก็ไม่ถูก เป็นอันว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เนด้านของวิพัฒ น, นา ย, ยานี่ต่อมาสิ่งที่เราพ้งกระทั่งใจเรา ต, ตัวนี้เราก็ต้องตัดให้เห็นว่ามันสกรปรก ด, ด้วยมันก็ไม่ตโงโตด้วยทุกวันมันเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยในที่สุดบันก็าย แาติกาาพวกเราฟังร่างญาวคนแล้วก็ฟังร่างกาตพ่อลหลังกาตแม่ปูยาตายาพวกหลายนั้ังหมด ม, ม, ม, มันไม่มีอะไรเหลือในเมื่อมันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้แล้วทไมจะต้องถือตัวถือตนยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นพวกเราไอ้คำว่าเราเนะีุ่จิตที่ทขามาแทรกแจิตวินิกายร่างกายเสมอเรือร่างที่อาศัยโชคเรา มันไม่ใช่บ้านสะอาดเป็นบ้านโสโครกล่างกายเรามันส่วมเวลานี้เราอยู่อาศัยส่วมอยู่นอนในส่วมไม่ใช่ส่วมสักโครกไม่ใช่ส่วมซึมเมื่อนอนเข้าในส้วมซึมสักโครกเขาจะบเราอยู่ในถังของส่วมมัาสะอาดไหมมันไม่สะอาดมันไม่ตรงตรงใ้สุดแล้วก็พัง ถ้ามันทางไปเรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ต้องไปหาไอ้ช่วงแบบนี่้อาศัต่อไปอีกเกิดจะได้คราววิญญาณตาก็จะไม่ได้ความทุกขุกมีเจียงคนเห็นทุกไม่มีวันนี้มัน้องพูดเรื่องทุกเราสิ่งพูดมาจบเป็นอันว่าพระพุเจ้ามาสายชั้นห้าเสียแล้วกายก็จะกบกรก ร่างกายมันไม่เที่ยงก็มันไมีการทรงตัวร่างกายมันเป็นทุกข์มันผิวมันหนาวมันร้อนแล้วก็หายปวดเมื่อยปวดจาระปวดเท้ากแล้วก็ปวดปวดตรงนั้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เพรามีร่างกายนี่แหละอารมณ์ใจเราจึงหวั่นไหวนั่นก็คือมันทายอะไรใส่โอ้โเราชอบฟังนะ ใครินทาจะงหูว่าไปเขาคนานั่เฝก็แต่งหูว่าไปพอเขาคเฝมันดีเนี่ยยิ้มแบบก้มสแบบกปิใจสกปรกออคินทากน่ า, นาเบือนาบูดที่อยากจะถามว่าไอ้คนนินาและคนนังเรงและอคนทางินทาคนนั่เฝสองคนมีใครมากใครเป็นคนดีใครเป็นบ้า ถ้าคนนินทาไม่ทัเสงคนนั่นหละคนบ้าใครคนนั้นฟังินทาไม่ทันเสงจะอา ไ, ไปรักฟังยันรับจัดทำไมมันโง่งใจนี่ถือเก็นหลักเราก็บ้าเอยแล้วมันบ้าเรื่อง <c oughs> ถ้าคนดีเขาก็ไม่นินทาใครไม่ทันเสงใครเพราะตองเปีนเยนทุก อ, อ, อย่างเปลี่ยมดา คิณพาไปสองสามเจ้า็นโลกกัมมัดาเพื่อทางโลกเขาโลกเขาไม่กินเลยเขาต้องมินทารมินทาแล้วก็ราะฉนั้นแสนแสนก็มินทาร์บางทีคนคนเดียวกันแหละแล้วมันก็พูดถึงคนคนเดียวกันบางวันมันก็เป็นผลบางวันก็มินทาอย่างนี้เราเลยคิดแบบคนนันประเภทเป็นคนดีทุกคนบ้านถ้าเรามินทาร์ก็ต้องไม่มินทาร์ตลอดชีวิต ถาลุยใหเราเเด้นคยเาชีวิตคนนีเรเป็นคนดีคดหนึงมันจดีมากดีนิอื่นเดียวนึ่งายกันได้อ่เดียเสกได้ันไดอคนนทายคนนึงขคนนึงกบคนบ้าบ้านที่นึงแต่ของเ้าเราม่วังหยในคำหนึ่งทายเราเราไปยิดีในคามันสนเราไปไดถ้าจะเล่นากยังไงก็มองหาความมีเดีย ว่าอำ น, น, นิพพานคำเสิญนี่มันไม่ได้สร้างคนให้ดีและไม่ได้สร้างคนให้เร็วถ้าเรามีความดีอยู่ใครกน็นิพพานมันเร็วชาตีไม่เกี่ยวกับอะไรกับจังแล้วก็ไม่รู้จักเร็งสมมว่าเรามีกระตังในกระเป๋าเต็มกระเป๋ามีเครื่งขนมีล้วนิพพานไอ้บ้าเนี่ยบ้าเนี่ย ไม่มีจะกินแล้วจนจะตายสิขอตายแล้วินพู้ไล้แต่ความจียเราเป็นมหาเศรษีแล้วเรจะจนตามคำเขาพูดหรือเปล่าแต่นั้นวันร้องก็ไม่จนตามคำเขาพูดแ้่จาางมันก็เต็กระเป๋าตามปกติยิ่งเรื่อการคุนทายก็ไม่มีความหมายถ้าเราแต่ตัวผ้าคงใจเขาบอกไปเขาเสียเขาโหยคนนีเป็นมหาเศรษีมา ต่ความจียงเขาตังใ น, นกระเปมันมีหิ้วกับตายแมเขาคนเสนอเราเป็นคนรวยแมจะรยได้ไหก็แย่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นออก์สมเด็จสมมาสมยายุทธเจาเชิญทรงแนะนำให้วางมินทายในา ส, าสเสอร์เมื่อสมัยการเปี้ยเขายว่ายัางไรเาช่าง ด, าาาดูดใจพวกเราว่ามันดีแล้วมันชัวดูใจพวกเราว่มีความมีหางสี่หรือแ เห็นบริสุดไหมจิตว่างจะกอิวิยาไหมจิตยังเกาะยังงงงงงงาหมจิตยวุ่นวายลรื่องทายไรื่องเสริมไหมถ้าเปนย่งนี้เราดูถ้ามีความรู้สึกว่ามีทายเรืงเสริมไม่มีความหมยเรืายไม่มีความหมายเกิดแล้วตาย โ้ออยู่ก็ไม่ทุกเราไม่มีความแบสหนยกอีกเราต้องการตัดทั้งหาที่ได้ ก, การืนหน่งตัดความหยิ่งศรัทธาความสวยสงนามพอโลกเขียวิยุดมาแะสัมผัสถ้าหลางเกิดแลแด้วมันก็ไม่ดีไอ้เรื่องอะไรมันไดกอบข่ว่มได้กกข่วมนดีที่ไหน เราเราเนี่ยสักทีวิตจเป็นที่ต้องหากินหายใช่แต่ไม่มัวเมาเกิ น, น, กกกนไปที่มัอยู่หยุมันตระดการตลอดไปไหมมีชีวิตต้องกินก็ต้องหาเราคิดว่าหาใช่นีมเป็นใช่เป็นใช้ใ ช, ช, ชนมาต่อไปไม่หายอีกตัดโลกากความโลภเขาโกงเสียแล้วก็ตัดโลจากความโกรธคือไม่ยินดียินราาน้ายไม่ทำยินอะไรเสร็จก็ไหวไงก็จ่างมันเถอ ธรวันาเขามันไหวจะพูดกระยำพูดไปไงวจะนินทาเขามันทาไปอย่างนั้นเสร็จก็เสร็จไปเร้ไม่มีไม่โชว์ตาม้งครั้งแลพดไม่ลดแล้วต่อไปท่านหนาตัดความหลงหลงคิดมันจะไม่ตายรวมความเราคิดตัดง่ายๆว่าร่างกาย น, นี้มันไม่ใช่เราไม่สช่ของเรา เราไม่มีร่างการแรกกายนี้มีเราเดียวเ่าก็ตาเดียวก็ตายค้บหน่วงไหลไปแล้วก็เกิดบางทุกข์าทุกขของเราก็คือพันธุ์แต่เราต้องการพันธุ์แต่เไปพันธุ์ทางไหนหนึ่งตัดโน้าความโลกในจิตคิดให้แทน สองสัต oh ว์โทษสาความโกรธมีความรักความรกสานแทนสามสัต yeah. ว์โลหะความหลงที่ติดในกายคิดว่าจะไม่ตายที่ดีตลอดการต่อไปไม่เลิกกันคิดว่าความตายมาถึงเราโดยสับสนมึนคิดเท่าี่มีในกานต้คิดทุกข์เท่าี่คิดแค่พูดเลิกพูดก็ไม่ต้อคิด หลังจากนี hay hay H ain. H ain ้ไปเราก็มั่ดาทางปฏิบัติ้องการพยายามเนดรู้ในัใจเข้าใจออกให้ใจเข้าใจออกแบบสบายๆอย่างคำอะไรเป็นคำเบาให้คำมั่นาว่านามบัติธาทำให้จิตมันสงบอย่าเร่อรักเกี่ยกดบธนั้นแล้ก็อย่าให้หัใจเปสนใจเรือ ออแย่าปลุกไม่ใจเขาออกใส่คำวนานาำบัดบำกระต่ายนี่เลยไปแต่ถ้าใจมีสุขเจริญกว่าจำเจริญขี้เขาไปตอบตามเขาสอบนะเาไม่สอบเลยเขาไม่ไล่เมียนะไม่ไปนัางโจครับถ้าความรู้สึกของจิตมันมีความรู้สึกอะไอบตามนั้นเจ้ตามมองนะเมื่อคิดอยู่ัวยนมีความรู้สึกทางใจทางตาคิดไม่เหยตใจเลย มันลงที sure so ่มีวิธัใจสามารถวาจิตไปจูงให้ต่างๆได้ง่ายๆถ้าตอนนี้เราขอทุกท่านตั้งใจจูงเราจิตให้มันจะพูดฟังดอกเต็มดาบเต็ที่มาภาวนาวันธรรมะบวชตั้วันนเวลาทุกันที่สอบถามหลังจากนันสมาทานสีนสมาทานกรรมฐานแล้วก็ขอให้พูดฟางคาแนะนำเล็กน้อย อันดับแรกคออนุญาท่านพุทธบริษัทรวบรวงกำลังใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเาตั้แต่เวลานี้เป็นต้นไปนะรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เสมอการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่ทันิปานาปานุสติกรรมฐานเป็นฌานเพราะว่าข้าสามารถ ยังไม่สาบจิตไม่สามารถจะทรงฌานได้เราก็ไปไหนไม่ได้งั้นเราจะนั่ขณะระดับแรกสดเมื่จากลมไม่ใจเข้าใจออกแล้วก็จงเจริญลาที่พัฒนายายก่อนส่วนแรกที่เรคิดนั่คิดตามความเป็นจริงว่ร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนหนึ่งคนดีว่าถูกฆ่าสมุทรไสโลกไี่คนดี มีความเกิดข e ึ้นในเมืองตุลแล้วเสียมโลกเสียมลงทุกวันมากิสุดก็กังที่ยวสารนาจามันตายหมดแน่เราก็ตายวันนี้เราตายวันต่อไปเราก็ตายเหตุอไรใน้เราตายแน่ถ้าเราตายดีถ้าเรคนดีตายเป็นผีลก็เป็นผีดีถ้าเราเป็นคนเลวตายเป็นผีก็เป็นผีเลว แตนผีนี้ก็คือมายีหมายความว่าผีสวราลีพมแต่ีวลาลงผีพมไม่ดเกิดประโยชน์หอดคุณหะสัามรมีก็ต้อกลมาเกิดมาเปุกีถ้าเป็นีเวเมากเกินไปเดือดร้อนและไปสับสนุไปตัวกายตวชา ดังนั้นการตายของเราตอนนี้เราต้องตายเป็นผีที่ดีที่สุดคือเป็นผีพนิพันธ์เราต้องการพนิพัน์คนที่ไปพ น, นิพัน์ได้ก็าแช่ลมแบบไหนตั้งใจฟังนะก็คิดตามไปด้วยแล้วก็ตั้งใจตัดซะเยเจ็ซคือชื่อว่าแรงการชื่รียกบบริชาศสี มีธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมเรียวก็กลายก็แล้วกันมันมีสภาพทพียรต้องตายแน่แล้วเมื่อมันตายไม่นจะไม่ใช่เราไว้ใช่ของเราถ้าเป็นเราจริงเป็นเขาเราจริงมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายที่เรียกว่าต้องตายกันแน่ถ้าตายแล้วจะนีไปหรือไมนคนที่เาา้าไปหรือไมแล้วกันำิดเป็นยังไง พิษยาไม่ห่วงใยในร่างกายของเราไม่ห่วงใยในทรัพสินไม่ห่วงใยในร่ก า, ก, รารรกายสิ่ื่นตายแล้วยปส่งทางเปืออะไรไม่มีแม่คนไหนที่ตายแล้วมาคงข้าวให้ลูกกินไม่มีพ่อคนไหนที่ตายแล้วมาทํางานสายหน่าทำงา น, ร, นงารับเลี้ยงการให้เดินให้ลูกมันเป็นกฎธรรมดา ต้แรกก็แล้กันไปคันห้าพวเราคันห้าคนอื่นถธาตุเาไห่โงสโงตามความเป็นจริงตัโงก็ไม่เกิดประโยชน์การที่สองมีความมั่นใจในคำสั่งสาของค์สเด็จตสมมาและพระพุจาและผลการปฏิบัติวันนี้เรามาปฏิบัติกันในด้านใปัญญาสมาบัติวิชาสามควบกันปฏิบัติสองอย่างร่วมกัน ผลการปฏิบัติอย่างนี้อย่างเลวที่สุดที่เราเพิ่งจะได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีเกิดเป็นดวงาเในสังกามาร์จอสกสวรรค์หรืเกิดเป็นพมาแต่ว่าผลการปฏิบัติครั้นี้เราไม่ต้องการเราต้องการพ้นพันที่มนเป็นของไม่ยากเลยเราตั้งใจจะ ย, ย, ยกติตของเราออกจากภาลจิตเราทุกข์เองแล้วาเลยนะ แรนกระดาษจะวางไม่ใกล้ๆกับเพียนเราคิดว่าการตายแ ล, ล้วผิตัณฑีเราุมงผิตสสุ ด, สดของไม่ยากนั่นไม่ยากเป็นบา่าวกรจายต้าจริงๆการิจารณาคาสอนพระพุทธเจ้า่าวนไหนาง ท, ที่เราสงสัยพระพุทธเจ้าเกิดแกเจ็บตายจริงแล้วไม่จริงเจริงก็หมดเรื่องกันไปคขง่าย เราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาเพเจอละสิของเน้อยไม่ต้องใช้ปัญญามากใช้ปัญญาเข้ากเลที่มันติดอยู่ก็เห็นผลเราคนเด็กพระพุทธเจ้าสอนตามความจริงคงโลกลังาก้นั้นตั้งใจแล้วสาธิ t ให้บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทเราเวลานี้ต้องบริสุทกันทุกไม่ใจเข้าออก ตัวอาเรฟกับปัญญาะนรมบัตรภวิชาสามร่วมเป็นของหนักที่สุดในมรรสานาสเมื่อได้แล้วเราไม่สนสจเรื่องสวรรค์เวลาขุมมโลกการเคลื่อนไรู้ว่าเขาจะที่อะไรสบายสบายตายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตามใจชอบหลังจากนั้นกำมาพิจารณาเช้นร่างกายคนในสัตว์ ร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายสัตว์ทั้งหมดตามความเป็นจียงว่ามันสุกกระเบรกให้ที่เรารักกันเนรักส้วมอยากจะแต่งงานกับส้วมร่างกายของคนและสัต์มันสุกกระเบรกที่ว่าส้วมอุจาราปัสสาวะนันมันออกมาจากร่างกาย ไอ้ส่วนนะมันมีธรรมาระปัตวะร่างกายว่ามีธรรมชาติจรรมปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลอน้ำหนองเสมหาน้ำลายสเลดมันมีทุกอ ย, ายา่างร่างกายคนอื่นตรงเหมือนกันพิจิิิความเป็ น, นิินนนนิ ย, ยิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินิิิิิาิิิิิิิิาิิิิิิิิิิิิิิาิิิิกิิิิิิิิิิิิินิิิิิิิิิาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิางิิิิิคนินิิิิิิิิิิิ มีคู่ครองก็เพ่มทุกมีลูกมีหลายขึ้นมาก็เพิ่มทุกถ้าเราไม่มีความปรารถนาเขาค่อยตัดมาแต่ว่าเวลาที่จะเรีฐานต้องตั้งใจตัดให้เด็ขาดไปเลยเพราะภาวะอย่างนี้ไม่มีเสมอไปราต้องการทอทิ้งมันร่างกายที่เกิดมีความสุขๆแบบนี้ร่างกายเราร่างกายคนไม่ต้องการขึ้นที่ว่าความทิ่สมัยกันระหว่างเพศไม่มีในเวลานี้ เป็เวลาครึ่งถ้าจับไปมาจิตป็ น, นจับตามเดิ ม, ม, มทั้งเวลาก็้งเรืสมาธิจิตตัดจับตัดแบบนี้อีกตัดไปหมยไม่ช่าหัวขาดหลังจากนั้นจนิตใจเราก็ให้อภัยกับบุคคลต้องมีความผิดวันวันแบบจะเป็นเวลาแบบนี้ไหนคนข้อมับผิดต้องโทษลงโทษด้ยเมตตาเพราะว่าไม่ต้องการให้เลวกว่านั้น เป็นเอาิดิตใจว่าเราจะให้อภัยกับบุคคลผู้มีความหลงผิดอยู่เสมอถ้ามีเพราะอะไรพกาว่าคนตัวคนที่ทำไปก็เพความหวังดี <c oughs> ต่เ่วที่ดิดไปล้วก็กินเหลยกกันหาวปาทันแล้วก็สน ก, กรกมับมันเขาโดนใจให้ไภัยเขาเร็วไปของเขาเราไม่เร็วด้วยเขาอยากจะด่าก็เชิญด่าราทีโลเป็นิโตะ ไม่เคยเสมอว่าคนไม่ถูกในธาเลยไม่มีในโลกพระพุทเจ้าดีกัเราหลายล้านเท่าท่างยังถูกนธาโดดาทกว่าแต่ใครจะด่าจะว่าพระเจ้ายังไงก็เจ้าก็เปนิพพานคนด่าคนว่าพระเจ้าไปลยทีเราเราจะยินดียินร่ายแคนด่าทำ้เส้นอยู่อะไร ทั้งบาตั้งนินทาทั้งรังสริคไม่สนใจทั้งหมดสนใจอย่างเดียวกำลังจิตของเราเพราะมันสิน้นราคะสิ้นโลคะสิ้นโมโทตัสินส้นโลหะละไรไม่อย่างห ล, ลังจากนั้นก็ต่างใจศึวา่ารูปประชานแล้วประชานคือว่าอย่างโง่ไปคุมฌานโดงที่จิตไม่เกิดเขาพูดชัดๆโดยมากการ น, นักปฏบัติมาเจอแบบเอาความโง่เข้าไปคุมชาได้จนจิตเคลื่อนไม่ได้ ท้าไม่ฌานในหมายความจิตที่ตรงอยู่เคยรมขินในด้านเขาเกี่ขอออุศนคนที่เขาได้จริงๆอย่างเขามีหลายคนแรกแรกผมแม้ไม่คันจะรวบรวมใจมันไปแล้วพุทธออกไปเลยแต่ความจริงฌานสี่มันทรงเป็นปกติไอ้ฌานสี่ทรงมันไม่ใช่หลักตารีหลักตาฝีนี่มันสุดฌานไม่จะโพสงฌานเมื่กเราจะตัดมานะการเสียตัที่วั แค่ไหนเรายังด hmm. ีกว่าเขาเร็วๆกว่าเขาเราเสมอเขาคนไั้นกลนปากไฟดีคนนี้สักซีนาอนี้เด็กกว่ากูนี่แกกว่าผููนี่เป็นรู้ความเร็วตัดทิ้งไปเรากับเขาร่างายสกปรกเหมืกันเคยแก่เสียตายไมกันแล้วมันจะดีกวันตรงไหนถ้ายังถือคิดว่าดีก็แสดงแบบกับความเร็วเขว้ตัดความแม่ลในความเชื่อตัวเท่าตนใช้ไหมด ลองคิดตังค์ก็ได้ถ้าธรรมเทศนาของคนที่ส่งเรามาสุขคตคิดว่าเราจะคิดว่ายังไงทำพิจในงานอยู่ตามนั้นลองแกว่งหังกระตับหวิชากในการเร็นอาลัยสตรการต่อชีวิตอยู่มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ปัญหาเป็นอยางคือโมเมาร่างกายโมเมาักสิโมมาวิชาความรู้โมเมาฐานะ กินไร้หายแล้วนี่แหลมันเป็นจุกจิ๋วเราก็ตัดตัวเส้นหมดที่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นเราจริงเป็นพวกเราจริงมันก็ต้องไม่แกิดไม่เกิดไม่ตายที่เราี้งทุกข์ทุกอย่างนี้เพราะร่างกายไป็นคัญถ้าเาหันทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นตนที่วันนี้เพราะไต่ขั้นห้าดูน้าแบบไทยเรสมเจพะสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นราทีโต ตั้งใจเพิ่มโอภิสิทธิ์สมาธิปยานปฏิบัติมาหกปีไม่มีผลวันนั้นโอ้ทำไมก็รู้สึกผลหันหลังหลังพิงตนโอหันหน้าไปทางที่ตนออกตั้งจิตว่าถ้าเราจะไม่ละโลภิสิทธิ์สมาธิโพถุยาณเพียงไรเลื่อนเกืนถ้เราไม่เกิดแอมไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้แม้ชีวิตเสื่อมแมชีวิตจะเสื่อมลงไปก็ตาม ถ้าไม่สําเร็จสัมมาสัมพวิยานเป็นไดเราไม่ยอมลุกไปขาดแค่นั้นในวันนั้นองค์สมเนตสัมมโลกนาถเจ้าเล่ห์พระสมุทรอวิเศษสัมมาสัมปวิยานความจริงออกไปหาหกปีนั้นได้จริงจริงไม่กี่ชั่วโมงใช้เวลาที่ถูกต้องไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องใช้น้าใจเส้นเดียวกับพระพุทธเจ้าพอพิจารณาแบบนี้แล้วต่อต้นไปก็จับลมใจออใช้คำภาวนาวันน้ำมากกว่าท่า ถ้าใช้คำนวณาวนาควาว่าถ้าที่เป็นชานนี้ใถ้าจิตออกได้จริงจริงมันสว่างเหมนกลางวันแต่แว่าที่เราฝึกกันเรมันเรื่องแรกเกินไปที่ไม่สว่างเพรา็ว่าพวกพระวิชาสามและสี่ยาถ้าใช้แบบนั้นบางทีสิบปีมันไม่ได้แต่ใช่วิชาสามอย่างเรียทีทั้งยี่สิบชาติมันก็ยังไม่ได้เลยใช้ทั้งสองอย่างปวบคุมกันใช้กํชาลังใจช่วยที่เวลาที่จิตที่ขึ้นออก มันมีความสัมผัทางจิตความรู้ที่เป็นคุยยแัแเสว่ามีความรู้เหมือนตาทิ่ไม่แสดงถ้าจิตยังเอง ย, งยังเลวอยู่มันจะมีความรู้สึ ก, กว่าหนึงเขียวหนึ่ขาวหนึ่งแดงแล้วก็ยายใช้อุปกรคิดจมีอุปกรา์ถ่ายอุปกรายมันจะลมยึดม่นเขาไม่รู้อยู่แต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาอย่างไรคนที่เขาเข้าไปสอบถามบอการความเป็นจริ อารมแรกที่เรามีความรู้สึ้กเขาทำมาเขียวแรงจิตตัณฑ์อดลำเลาแดงแรงเป็นแรงเขียวเป็นเขียวใหญ่ใช่รมที่สองให้มีความมั่นใจอย่างนั้นรียคว่าอันดับแรกทำไมก็ควรต้องตามบอดคำท้ามไปก่อนแ้าต่อไปทาไปทาไปใช้กิเลเป็นบางมันก็จะมีสภาพสี่ชัดขึ้นตามลาดับในที่สุดถ้าเรามีอำนาจทำกิเลสเชืงอตาว่าเป็นมัตราไม่ต้รหัวร้ <laughs> ก็เลยสามารถเห็นภาพเกินได้ถึงสมถึงภาบนิพพานเลยชัาเกิยเด่นใสเหมือนการลืมตาดูพระในสาลานี้ถ้าต่อทีนิพพยนคนดาเดินพุทธบรษาทุก่ันจุดทุกจดาัแล้ใช้คำโบราณนามบัติขณะตัดที่หน้าเรียกว่าสมเด็จสมมายพุทธเจ้าตดย้าพระองค์ที่พระกุโพธิโโนาสุมุะสุวราโดม ยูยามามไม่กึงเส้ก็อย่าภาวนาภาวนาวกเราไม่มีทุกเลาไม่มีตอนลูพอไม่มนแล้วก็พอเขาไม่ชักพูก่อทัขาไม่แขนว่ากระดาษเป็นวางด้วยความเคารพเพรมันคิดว่เจ้าจะใ ช, ช้มือวางที่ตาคนได้ถ้าเวลาเขาสอบถามกันยังไม่เสร็จท่าเราคุมอารมณ์อยู่ก่อนแต่บ ส, บสบายสบายอย่างเขาตรวจหลวงพ่สอบเสร็จแล้ ว, วก็อย